ภิกษุตั้งจิตไว้ในภายในทำจิตให้สงบทำจิตให้มีธรรมเอกผุดขึ้นตั้งจิตให้มั่นเป็นอย่างไร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 และไม่น้อมไปในสุญญตาในภายในภิกษุนั้นชื่อว่าเป็นผู้มีสัมปชัญญะในสุญญตาในภายในนั้นด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุนั้นใส่ใจสุญญตาในภายนอกและถึงภิกษุนั้นใส่ใจสุญญตาในภายในและในภายนอกและถึงภิกษุนั้นใส่ใจอนเนชะสมาบัต เมื่อเธอใส่ใจอเนเชสมาบัตจิตจึงไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งมั่นและไม่น้อมไปในอเนเชสมาบัติเมื่อเป็นเช่นนั้นภิกษุย่อมรู้ชัดอเนเชสมาบัตนั้นที่มีอยู่อย่างนี้ว่าเมื่อเราใส่ใจอเนเชสมาบัตจิตจึงไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งมั่นและไม่น้อมไปในอเนเชสมาบัต ภิกษุนั้นเป็นผู้มีสัมปชัญญะในอเนญชสมาบัตินั้นได้ด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุนั้นตั้งจิตไว้ในภายในทำจิตให้สงบทำจิตให้มีธรรมเอกผุดขึ้น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 และน้อมไปในสุญญตาในภายในภิกษุนั้นชื่อว่าเป็นผู้มีสัมปชัญญะในสุญญตาในภายในนั้นด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุนั้นใส่ใจสุญตาในภายนอกและถึงภิกษุนั้นใส่ใจสุญญตาในภายในและในภายนอกและถึงภิกษุนั้นใส่ใจอนเนชะสมาบัตเมื่อเธอใส่ใจอนเนชะสมาบัต จิตจึงแล่นไปเลื่อมใสตั้งมั่นและน้อมไปในอเนญชะสมาบัติเมื่อเป็นเช่นนั้นภิกษุย่อมรู้ชัดอเนญชะสมาบัตนั้นที่มีอยู่อย่างนี้ว่าเมื่อเราใส่ใจอเนญชะสมาบัตจิตจึงแล่นไปเลื่อมใสตั้งมั่นและน้อมไปในอเนญชะสมาบัตภิกษุนั้นชื่อว่าเป็นผู้มีสัมปชัญญะในอเนญชะสมาบัตโดยอาการอย่างนี้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 จกครอบงำเราผู้เดินจงกรมอยู่อย่างนี้ไม่ได้พิกษุนั้นชื่อว่าเป็นผู้มีสัมปชัญญะในการเดินจงกรมนั้นด้วยอาการอย่างนี้หากเมื่อพิกษุนั้นอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้จิตย่อมน้อมไปเพื่อการยืนพิกษุนั้นจึงยืนด้วยหวังว่าบาปอากุศลธรรมคืออภิชาและโทมานต์จะครอบงำเราผู้ยืนอยู่แล้วอย่างนี้ไม่ได้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 หากเมือ่อภิกษุนั้นอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้จิตย่อมน้อมไปเพื่อการนอนภิกษุนั้นจึงนอนด้วยหวังว่าบาปอากคต ร, รธรรมคืออภิชาและโทมนัสจะครอบเมือเราผู้นอนอยู่อย่างนี้ไม่ได้ภิกษุนั้นชื่อว่าเป็นผู้มีสัมปชัญญะในการนอนนั้นด้วยอาการอย่างนี้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 เรื่องบ้านเรื่องนิคมเรื่องเมืองเรื่องชนบทเรื่องสตรีเรื่องคนกล้าหาญเรื่องตรอกเรื่องท่าน้ำเรื่องคนที่ล่วงลับไปแล้วเรื่องเบตเตเลตเรื่องโลกเรื่องทะเลเรื่องความเจริญและความเสื่อมซึ่งเป็นเรื่องเลวซามเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์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 เรื่องความไม่คลุกคลีกันเรื่องการปรารบความเพียรเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเรื่องวิมุตติเรื่องวิมุตติยานัศสนะซึ่งเป็นเรื่องขัดเกลากิเลสอย่างยิ่งเป็นสปายะแก่ความเป็นไปแห่งจิตเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายโดยส่วนเดียวเพื่อคลายกำหนักเพื่อดับเพื่อสงบระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้และเพื่อนิพพาน ภิกษุนั้นชื่อว่าเป็นผู้มีสัมปชัญญะในการพูดนั้นด้วยอาการอย่างนี้หากเมื่อภิกษุนั้นอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้จิตย่อมน้อมไปเพื่อการตรึกภิกษุนั้นใส่ใจว่า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 ห้าัพธพะที่พึงรู้แจ้งทางกายที่น่าปรารถนาะน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดอานนท์กามคุณห้าประการนี้ภิกษุพึงพิจารณาจิตของตนเนือ ง, งว่าข้อที่จิตฟุ้งขึ้นในเพราะกามคุณห้านี้ซึ่งเกิดขึ้นในกามคุณอย่างใดอย่างหนึ่งหรือในอายตนะอย่างใดอย่างหนึ่งมีอยู่แก่เราหรือ หากภิกษุพิจารณาอยู่รู้ชัดอย่างนี้ว่าข้อที่จิตฟุ้งขึ้นในการมคุณห้านี้ซึ่งเกิดขึ้นในการมคุณอย่างใดอย่างหนึ่งหรือในอายตนะอย่างใดอย่างหนึ่งมีอยู่แก่เราเมื่อเป็นเช่นนั้นภิกษุย่อมรู้ชัดข้อที่จิตฟุ้งขึ้นนั้นอย่างนี้ว่าฉันทราคะในการมคุณห้านี้เรายัางละไม่ได้ภิกษุนั้นชื่อว่า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 ชันทราคะในกามคุณห้านี้เราละได้แล้วภิกษุนั้นชื่อว่าเป็นผู้มีสัมปชัญญะในชันทราคะในกามคุณห้านี้ที่ละได้แล้วนั้นด้วยอาการอย่างนี้อานนน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 ผู้พิจารณาเห็นทั้งความเกิดและความดับในอุปาทานขันห้านี้อยู่ย่อมละอสมิมาณะในอุปาทานขันห้าได้เมื่อเป็นเช่นนั้นภิกษุย่อมรู้ชัดอสมิมาณะที่ละได้แล้วนั้นอย่างนี้ว่าอสมิมาณะในอุปาทานขันห้านี้เราละได้แล้วภิกษุนั้นชื่อว่าเป็นผู้มีสัมปชัญญะในอสมิมาณะในอุปาทานขันห้านี้ ที่ละได้แล้วนั้นด้วยอาการอย่างนี้ทาเหล่านี้เนื่องมาจากกุศลโดยส่วนเดียวไกลจากฆ่าศึกเป็นโลกุตระอันมารผู้มีบาปอย่างลงไม่ได้อานนท์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 เฉพาะพระผู้มีพระภาคเท่านั้นที่จะทรงอธิบายเนื้อความแห่งพระภาสิทธนั้นให้แจ่มแจ้งได้ภิกษุทั้งหลายฟังจากพระผู้มีพระภาคแล้วจักทรงจำไว้อานนท์สาวกไม่ควรติดตามศาสดาเพียงเพื่อฟังสุตตะเคยยะและเวยากรณนะข้อนั้นประเหตุไรเพราะธรรมทั้งหลายอันเธอทั้งหลายสดับทรงจำคล่องปากเพ่งพินิษ ด, ด้วยจิต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 ซึ่งเป็นเรื่องขัดเกลากิเลสอย่างยิ่งเป็นสปายะแก่ความเป็นไปแห่งจิตเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายโดยส่วนเดียวเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับเพื่อสงบระ ง, งับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้และเพื่อนิพพานอานนท์เมื่อเป็นเช่นนั้นอุปัฏฐะของอาจารย์จึงมีได้เมื่อเป็นเช่นนั้นอุปัฏฐะของสิทธิจึงมีได้ เมื่อเป็นเช่นนั้นอุปทวะของผู้ประพฤติพรหมจรรย์จึงมีได้อุปทวะของอาจารย์เป็นอย่างไรคือศาสดาบางคนในโลกนี้พักอยู่ณเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่า โคนไม้ภูเขาซอกเขาถ้ำป่าช้าป่าชัดที่แจ้งและลอมฟางเมื่อศาสดานั้นหลีกออกอยู่อย่างนั้นพราหมณ์และขหะบดีชาวนิคมและชาวชนบทจะพากันเข้าไปหาเมื่อพราหมณ์และขหบดีชาวนิคมและชาวชนบทพากันเข้าไปหาแล้วศาสดานั้นย่อมยินดีความหมกมุ่นถึงความอยากได้ จเวียนกลับมาเพื่อความเป็นผู้มากๆศาสดานี้เราเรียกว่าอาจารย์มีอุปัถวะด้วยอุปัถวของอาจารย์บาปอากุศลธรรมอันเศร้าหมองเป็นเหตุเกิดในภพใหม่มีความกระวนกระวายมีทุกข์เป็นวิบากเป็นที่ตั้งแห่งชาติชราและมรณะต่อไปก็ได้ฆ่าศาสดานั้นอานน์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 ภูเขาซอกเขาถ้ำป่าช้าป่าชัดที่แจ้งและลอมฟางเมื่อสาวกนั้นหลีกออกอยู่อย่างนั้นพราหมณ์และขหะบดีชาวนิคมและชาวชนบทจะพากันเข้าไปหาเมื่อพราหมณ์และขหะบดีชาวนิคมและชาวชนบทพากันเข้าไปหาแล้วสาวกนั้นย่อมยินดีความหมกมุ่นถึงความอยากได้ จะเวียนกลับมาเพื่อความเป็นผู้มากๆสาวกนี้เราเรียกว่าสิทธ์มีอุปทวะด้วยอุปทวะของสิทธิ์บาปอากุศลธรรมอันเศร้าหมองเป็นเหตุเกิดในภพใหม่มีความกระวนกระวายมีทุกข์เป็นวิบากเป็นที่ตั้งแห่งชาติชราและมรณะต่อไปก็ได้ฆ่าสาวกนั้นอานน์อุปทวะของสิทธเป็นอย่างนี้ อุปตวะของผู้ประพฤติพรหมจรรย์เป็นอย่างไรคือตถาคตอุบัติขึ้นมาในโลกนี้เป็นพระอระหันต์ตรัสรู้ด้วยตนเองโดยชอบพี่พร้อมด้วยวิชาและจรณะไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคตถาคตนั้น ย่อมพักอยู่ณเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโคนไม้ภูเขาซอกเขาถ้ำป่าช้าป่าชัดที่แจ้งและลอมฟางเมื่อตถาคตนั้นหลีกออกอยู่อย่างนั้นพรามณ์และขบ้บดีชาวนิคมและชาวชนบทจะพากันเข้าไปหาเมื่อพราหมณ์และขหบดีชาวนิคมและชาวชนบทพากันเข้าไปหาแล้วตถาคตนั้น ย่อมไม่ยินดีความหมกมุ่นไม่ถึงความอยากได้ไม่เวียนมาเพื่อความเป็นผู้มากๆส่วนสาวกของตถาคตผู้ศาสดานั้นเมื่อเพิ่มพูนความสังัดตามตถาคตผู้ศาสดาพระองค์นั้นย่อมพักอยู่ณเสนาสะนะเงียบสงัดคือป่าโคนไม้ภูเขาซอกเขาถ้ำป่าช้าป่าชัดที่แจ้งและล้อมฟาง เมื่อสาวกนั้นหลีกออกอยู่อย่างนั้นพราหมณ์และขหบดีชาวนิคมและชาวชนบทย่อมพากันเข้าไปหาเมื่อพราหมณ์และขหาพดีชาวนิคมและชาวชนบทพากันเข้าไปหาแล้วสาวกนั้นย่อมยินดีความหมกมุ่นถึงความอยากได้จะกลับเวียนมาเพื่อความเป็นผู้มากๆสาวกนี้เราเรียกว่าผู้ประพฤติพรหมจรรย์มีอุ ป, ปัตวะ ด้วยอุปัวะของผู้ประพฤติพรหมจรรย์บาปอากุศลธรรมอันเศร้าหมองเป็นเหตุเกิดในภพใหม่มีความกระวนกระวายมีทุกข์เป็นวิบากเป็นที่ตั้งแห่งชาติชาราและมรณะต่อไปก็ได้ฆ่าสาวกนั้นอาโ น, น์อุปัวะของผู้ประพฤติพรหมจรรย์เป็นอย่างนี้อาโ น, น์บรรดาอุปัวะทั้งสามประการนั้น อุปทวะของผู้ประพฤติพรหมจรรย์นี้มีวิบากเป็นทุกข์มีวิบากเผ็ดร้อนกว่าอุปทวะของอาจารย์และอุปทวะของสิทธิ์เป็นไปเพื่อความตกต่ำอานนท์เพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายจงประพฤติต่อเราด้วยวัดของมิตรเถิดอย่าประพฤติต่อเราด้วยวัดของศัตรูเลยเพราะนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลและเพื่อความสุขแก่เธอทั้งหลาย ตลอดกาลนานสาวกทั้งหลายย่อมประพฤติต่อาศาสดาด้วยวัดของศัตรูไม่ประพฤติด้วยวัดของมิตรเป็นอย่างไรคือาศาสดาในธรรมวินัยนี้เป็นผู้อนุเคราะห์แสวงหาประโยชน์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 อานนนเราจะไม่ประครับประคองเธอทั้งหลายเหมือนช่างหม้อประครับประคองภาชนะดินดิบที่ยังดิบอยู่เราจะ ก, กล่าวขมแล้วขมอีกจะ ก, กล่าวยกย่องแล้วยกย่องอีกบุคคลใดมีแก่นสารบุคคลนั้นจะดำรงอยู่พระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วท่านพระอา น, นน์มีใจยินดีชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาค ดังนี้แลมหาสุญญาตสูตรที่สองจบ 3. อัอาชริยภูตะธรรมสูตรว่าด้วยอาชริยภูตธรรมของพระพุทธองค์ ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระเชตวันอารามของอนาถบิณกะเศรษฐีเขตรุงสาวถีครั้งนั้นแหลภิกษุจำนวนมากกลับจากบิณฑบาตภายหลังฉันพัฒหารเสร็จแล้วนั่งประชุมกันในหอฉันได้เกิดการสนทนากันขึ้นในระหว่างการประชุมว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลาย น่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏพระตถาคตทรงมีริดมากมีอนุภาพมากทรงระลึกถึงพระพุทธเจ้าในอดีตผู้ปรินิพานแล้วผู้ตัดประปัญจธรรมได้แล้วทรงตัดต่อแห่งวัฏฏะครอบงำวัฏฏะล่วงทุกทั้งปวงได้แล้วทรงทราบว่าพระผู้มีพระภาคเหล่านั้นมีพระชาติอย่างนี้เพราะเหตุนี้บ้างมีพระนามอย่างนี้เพราะเหตุนี้บ้าง ทรงมีโคตรกูลอย่างนี้เพราะเหตุนี้บ้างทรงมีศีลอย่างนี้เพราะเหตุนี้บ้างทรงมีธรรมอย่างนี้เพราะเหตุนี้บ้างทรงมีปัญญาอย่างนี้เพราะเหตุนี้บ้างทรงมีวิหารธรรมอย่างนี้เพราะเหตุนี้บ้างทรงมีวิมุตติอย่างนี้เพราะเหตุนี้บ้างเมื่อพิษุเหล่านั้นสนทนากันอย่างนี้แล้วท่านพระอานนเรียกกล่าวกับภิษุเหล่านั้นว่า ท่านผู้มีอายุทั้งหลายพระตถาคตทั้งหลายน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏและประกอบด้วยธรรมอันน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏเรื่องนี้แลที่ภิกษุเหล่านั้นสนทนากันค้างไว้ครั้นเวลาเย็นพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่หลีกเรนเสด็จไปที่หอฉันประทับนั่งบนพระพุทธาที่ปูลาดไว้ แล้วได้รับแสงเรียกพิสูตเหล่านั้นมาตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายเวลานี้เธอทั้งหลายนั่งสนทนากันด้วยเรื่องอะไรพูดเรื่องอะไรค้างไว้ภิกษุเหล่านั้นทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประธานวโรกาสข้าพระองค์ทั้งหลายกลับจากบินทบาตภายหลังฉันพัฒหารเสร็จแล้วนั่งประชุมกันในหอฉัน สนทนากันในระหว่างการประชุมว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายน่าอัศจริจริงไม่เคยปรากฏพระตถาคตทรงมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากทรงระลึกถึงพระพุทธเจ้าในอดีตผู้ปรินิพานแล้วผู้ตัดปปัญจะทำได้แล้วทรงตัดต่อแห่งวัตตะครอบงำวัตตะล่วงทุกทั้งปวงได้แล้วจากทรงทราบว่าพระผู้มีพระภาคเหล่านั้น มีพระชาติอย่างนี้เพราะเหตุนี้บ้างมีพระนามอย่างนี้มีโคตรกูลอย่างนี้ทรงมีสีอย่างนี้ทรงมีธรรมอย่างนี้ทรงมีปัญญาอย่างนี้ทรงมีวิหารธรรมอย่างนี้ทรงมีวิมุตติอย่างนี้เพราะเหตุนี้บ้างข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อข้าพระองค์ทั like so like ้งหลายสนทนากันอย่างนี้แล้วท่านพระอานนเรียกกล่าวกับข้าพระองค์ทั้งหลายว่า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 ทำ อ, นอันนาอัศจรรย์2ี่สิบประการลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกท่านพระอานนท์มาตรัสว่าอานนท์เพราะเหตุนั้นเธอจงอธิบายทำ อ, นอันนาอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของตถาคตให้แจมแจ้งยิ่งขึ้นไปเถิดท่านพระอานนท์กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหนึ่ง ข้าพระองค์ได้สดับรับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าอานน์พระโพธิสัตว์มีสติสัมปชัญญะไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตแม้ข้อที่พระโพธิสัตว์มีสติสัมปชัญญะไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตนี้ข้าพระองค์ก็จําได้ว่าเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของพระผู้มีพระภาคสอง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 ข้าพระองค์ได้สดับรับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าอา น, นุ์พระโพธิสัตว์สถิตยอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตจนตลอดอายุแม่ข้อที่พระโพธิสัตว์สถิตยอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตตลอดอายุนี้ข้าพระองค์ก็จำได้ว่าเป็นธรรมอนันนาอัจจันไม่เคยปรากฏของพระผู้มีพระภาคสี่ ข้าพระองค์ได้สดับรับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าอานนนพระโพธิสัตว์มีสติสัมปชัญญะตลอดตั้งแต่จุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตจนถึงลงสู่พระคันของพระมารดาแม้ข้อที่พระโพธิสัตว์มีสติสัมปชัญญะตลอดตั้งแต่จุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตจนถึงลงสู่พระคันของพระมารดานี้ข้าพระองค์ก็จาได้ว่า เป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของพระผู้มีพระภาค 5. ข้าพระองค์ได้สะดับรับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าอานนท์เวลาที่พระโพธิสัตว์จุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตก้าวลงสู่พระคันของประมารดาแสงสว่างเจิดจ้าหาประมาณมิได้ปรากฏขึ้นในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์ พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์เกินกว่าเทวานุภาพของเทวดาทั้งหลายแม้ในช่องว่างระหว่างโลกซึ่งไม่มีอะไรขั้นมีสภาพมืดมิดหรือที่ที่ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ซึ่งมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากส่องแสงไปไม่ถึงก็มีแสงสว่างเจิดจ้าหาประมาณมิได้ปรากฏขึ้นเกินกว่าเทวานุภาพของเทวดาทั้งหลาย เพราะแสงสว่างนั้นสัตว์ทั้งหลายที่เกิดในที่นั้นนั้นจึงรู้จักกันและกันว่ายังมีสัตว์อื่นเกิดในที่นี้เหมือนกันและสิบสหัสเสีโลกธาตุนี้สั่นสะเทือนเลื่อนลั่นทั้งแสงสว่างเจิดจ้าหาประมาณนิได้ก็ปรากฏขึ้นในโลกเกินกว่าเทวานุภาพของเทวดาทั้งหลายแม้ข้อที่ละถึงนี้ข้าพระองค์ก็จําได้ว่า เป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของพระผู้มีพระภาค 6. ข่าพระองค์ได้สดับรับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าอานน์เวลาที่พระโพธิสัตว์ลงสู่พระคันของพระมารดาเทพบุตรสี่องค์เข้าไปอารักขาพระโพธิสัตว์นั้นประจำทั้งสีทิศด้วยตั้งใจว่ามนุษย์หรืออมนุษย์ใด อย่าได้เบียดเบียนพระโพธิสัตว์หรือพระมารดาของพระโพธิสัตว์เลยแม้ข้อที่ละถึงนี้ข้าพระองค์ก็จําได้ว่าเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของพระผู้มีพระภาค 7. ข้าพระองค์ได้สดับรับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าอานน์เวลาที่พระโพธิสัตว์ลงสู่พระคันของพระมารดา พระมาณดามีปกติทรงศีลคือเว้นจากปานาติบาตการฆ่าสัตว์เว้นจากอธทินาทานการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้เว้นจากกาเมสุมิฉาจารการประพฤติผิดในกามเว้นจากมุสาวาทการพูดเท็จเว้นจากสุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานะการเสพของหมื่นเมา คือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทแม้ข้อที่ละถึงนี้ข้าพระองค์ก็จำได้ว่าเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของพระผู้มีพระภาค 8. ข้าพระองค์ได้สดับรับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าอานนนเวลาที่พระโพธิสัตว์ลงสู่พระคันของพระมารดา พระมานดาของพระองค์ไม่ทรงมีความรู้สึกทางกามารมเป็นผู้ที่บุรุษผู้มีจิตกาหนัดใดๆไม่สามารถล่วงเกินได้แม้ข้อที่ละถึงนี้ข้าพระองค์ก็จำได้ว่าเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของพระผู้มีพระภาค 9. ข้าพระองค์ได้สดับรับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าอานน์ เวลาที่พระโพธิสัตว์ลงสู่พระคันของพระมารดาพระมารดาของพระองค์ทรงได้กามาคุณห้าเออบิ่มพรั่งพร้อมได้รับการบำเรออยู่ด้วยกามาคุณห้าแม้ข้อที่ละถึงนี้ข้าพระองค์ก็จำได้ว่าเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของพระผู้มีพระภาคสิบ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 เปรียบเหมือนแก้วไผทูลอันงดงามตามธรรมชาติมีแปดเหลี่ยมที่เจรไนดีแล้วสุขใสเป็นประกายได้สัสดส่วนมีได้สีเขียวสีเหลืองสีแดงสีขาวหรือสีนวลโรอยอยู่ข้างในคนตาถึงหยิบแก้วไผทูล น, นั้นวางไว้ในมือแล้วพิจารณารู้ว่านี้คือแก้วไผทูลอันงดงามตามธรรมชาติมีแปดเหลี่ยมที่เจรไนดีแล้ว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 มีอินทรีย์ไม่บกพร่องฉันนั้นเหมือนกันแม้ข้อที่ละถึงนี้ข้าพระองค์ก็จำได้ว่าเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของพระผู้มีพระภาค